Book 2 6หกสสสที่ธนาคารแบงกิตแบงกิตดิฉันต้องการเปิดบัญชีม ल ลาเอกขेตคุเจ มาละเอกคาตาโคไลจ่าเฮนี่คือหนังสือเดินทางของดิฉันเฮมาจเฮปาร์ฮมาปารัตรและนี่ที่อยู่ของดิฉันอันนี้ห้ามาจะตอนี้ฮ่ามาจะัตตาดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉันมลมาจะาเทย เพื่อจะชำระค่าใช้จ่ายที่มาลามาจักข้าตัวนี้เพื่อจะชำระค่ันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน म ้ाพा่อจะชा त ะค่าใช้จ่ายที่มาลมาขาตัวนี้เพทีจักตัน้องรมาักาจร้ยมาักจช้ยี่ักขี้เพื่อจะाำระค่า มลाามาाาा त ् य ा च ी म ा ह ि त ी์แก่ชียาเหดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทาง मला प्रवासी धनादेश जमाकरून रोख र क ् क म घ्यायची आहे मला प्रवासी धनादेश ज म ा a र h จำาคารุณโรครักกมेก่ชียาเหค่าทำเนียมเท่าไหร่คะชุลค क ะคิติอาหิตชุ क ค่ะคิติอ ดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะมีส ahi กุเทกะไรจีอาเฮมีส ahi ุเทกะไรจีอาเดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันมี ज e r m a n y ฮุนเงินสิ่งสตันตฤทธิ์ฮุนยาชีอภิักษ์ชาคารต์อาเฮมี Germany ฮุนเงินสิ่งนติอกษารตา นี่คือเลขที่บัญชีของดิฉัน ह ाามาจ ख าข้าตักกระมังกะอข้าตมเหเงินเข้าหรือยังคะเงเขอยตางอาเลตกดิฉันต้องการแลกเงินมาลาเงินเปลดไลเซอาเฮตเงินเปลดไลเซอาเต ดิฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ म, म ัลลาอเมริกาดอลลาร์พหิเจอเมิกาดอลลาร์พหิตกรุณาขอแบงก์ย่อยค่ะกรุปाย ल ाม ह ाลาล म ेนรักเมชะโนดตากรุปाยยะลลารเมนดเดตาที่นี่มีตู้เอทอมไหมคะอิกุ ATM เอาเหรอคะอิท ATM เอาเหรอสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะ ज ा स ् त ตจัสถ์คิดีรักกัมคาดูฉกตัวจัสถิตจัส त ์คิดีร क ाกू श क าตัใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะ क อ न เต้เครดิ ट कार् ดว่าพรูฉกตัวคอेเต้เครด क ตต